พูดถึงเรื่องความเพียรเ น, เนี่มันมีหลายแบบมีเด็ดแต่ขั้นธรรมดาขั้นกว่าขั้นสูงสุดที่ิตเท่าเกิดมาขั้นเข้าสามารถเหตุใดทุกขันตอนกส็สิสัมภารเพียรที่ดีที่สุดก็คือเพียรเพียรหาเงินหาทองเนี่ยเข้าก็ได้เป็นเจ้าบ้าน เพียนศึกษาเราเลียนเยเขาคือจะได้เป็นขันธ์ราชการขันเพียนละกิเลสเขาคือจได้เป็นพระสงฆ์เป็นพระอริยะส่วนได้ส่วนเสียของจิตของภูมิท่ามสิปากฏเกิดขึ้นตามความสมมาตถของเขาเองเน่ะเพียนหาเงินเขาก็ได้เงินนะ เพียนเหตุไทยเหตุหน้าเขาก็ได้เข่าเพียนอยู่กับกิเลสเขาก็ได้กิเลสเป็นเครื่องอยู่เพี้ยนเพื่อนละกิเลสเท่าก็ได้ความสงบสงัดความวิเวกเกิดขึ้นในใจดังนั้นความเพี้ยนทีข้นสิมีอย่างยิ่งก็คือสีสูงๆเนี่ยก็คือเพื่อเพียนละกิเลสนี่แหละแต่ขราวัตเนี่ยโน้มเข้ า, ยายกับเพี้ยนบ่ ่าสัตว์บวตัดชีวิตนะบวประพฤติ น, นอกใจสามีภรรยาบวกินเหล้าเมายาบวชตัวสานี้เขาเจะก็อยู่ไหนในสังคมเนาะเขาจะเพียนบวหลายเพียนเล็กๆ น, น้อยเพียนหาเงินหาคำ้ำตามควอมรู้สึกแล้วก็เพียนเพื่อสิเป็นเทว บ, บุตรเทวดาเขาเจะเพื่อเป็นคนที่มีความสะดวกสบายเพียนหาเงินหาทองเพี้ยนแต่หาอยู่ภายใต้เขาเอิ่นว่า สะดวกภายใต้กามาวาจร อ, อะไรไปทำความอยากอยู่ความเพียรเขาบ่ไหลายบันิเพียรละความคิดความปรุงแต่งละความหลบโกดหลงเพียรเพื่อละกิเลสตัญหาราคะสิเพียรเพื่อละความคิดความปรุงแตง่งที่เกิดขึ้นกับใจมันเป็นความเพียรขันสูงเกินว่าบำเพ็ญปัมัตฐบาลมี คนที่มีสติปัญญาเล่นหลายยังเสียดใดคนที่เห็นไพ่ในสังสารวัฏเห็นไพ่ในค้อมถุกข้าเจ้าจะเสียดใดขึ้นมาเห็นไพ่ก็คือโอ้ยหาเงินหาทองมาแก่เจ็บแก่ป่วยซื่อนะหาเงินหาข้ามาเพื่ออยังเพื่อให้มีหนา้ามีตาอยู่สะดวกสบายแต่ว่าบ่ได้มองว่าควอมถุกหรือปัญหาที่เป็นสาเหตุของ ข้อมเจ็บไข่เดรป่วยหรือค้อมทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันมาจากค้อมเกิดอืมถ้าหาเพี้ยนเพื่อละขวอมเกิดได้เขาก็บ่มีแก่บ่มีเจ็บบ่มีตายบ่มีโรคไข้ไข่เจ็บเกิดไม่อีกคนมันบรใสไใจเพื่อสิละประมาณนั้นเนี่นะมันอยู่ข้างนอกเพี้ยนตื้นตื้นนะปัญญาที่สืดับทุกข์ก็เลยบาเกิดอืมาสามารถที่เขาถึงสัจธรรมใด จิตเท่าก็สิไหลไปตามอากาศแต่ละมือม่อแต่ละเมื่อนั่นเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเซีนหนึ่งที่ข่วนเสียดก็คือเพี้ยนเพื่อละอกุศลทำแต่ละอย่างแต่ละอย่างเสียให้ขาดมันเกิดขึ้นมากพื่อละมันสรางเห็นทุกข์ก็ดับทุกข์เนี่ยเห็นความปรุงแต่งก็ดับความปรุงแตง่งเห็นนิยังเกิดขึ้นเท่าก็ดับไปนั้น เพียเพ้ยนเพี้ยนใบเข่าใเขาใยเข า, เ, ข า, เ, ขาเพี้ยนเห็นสิ่งที่มักมุมอยู่ในใจเพี้ยนและลึกลูก่จลิตนิสัยสั้นดานอันที่มันแก่ใครอย่างยากเขาก็เปลิม่มพัฒนาไปยดี๋ยวมันก็สิรุดออกใดอ่ะถ้าเขาได้ใจที่ตื่นเบิกบานเขางม่แท่นะ เพราะเพราะว่าเขาเพียนหลายเด้เพียนหลายผลตอบแทนมันก็หลายคือหาเงินนี่แล้วเพียนหลายเพียนหลายเพียนลึกเพียนถึงเพียนแท้อืเขาก็ได้ได้สติได้ปัญญาเกิดมาได้ความสงบเพราะว่ามันเพสงฆเพราะว่ามันกิเลสมันหลายได้กิเลสมันหลายบอกบอกว่ได้ตัณหามันไหลมันนี้เพื่อนละกิเลตตัณหามันออกไปแล้วพื้นที่ใจเขาก็มีแต่ความสงบ สันติภาพกับปรากฏเกิดขึ้นกับจิตเท่ากับเท่าเหตุแต่สําคัญว่าเหตุจะไหนไม่ใช่เกิดควมเข่าใจในเบื้องต้นว่าโอ้มันเป็นในสันอิลีเนาะเราเกิดสัทธาปสาธาัสสะทะทิสิเพี้ยนเพี้ยนที่สิภาวนา่าเพียพเพ้ยนสิสิก่อกาเนิดเกิดสร้างบ้านแห่งศีลสมาทิปพ ญ, ญ์ขั้นอันนี้เกิดขึ้นชีวิตเท่ามีควมสุขชีวิตเท่าปลอดภัยจะไห้เขาไม่ไ ด, ด้มุ่งไม่ได้บังไม่ได้ ประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเฮื่อนเท่านี่เมื่อเป็นยังสันปัญหามันก็เกิดขึ้นแล้วเนาะมันบริแข็งแรงเอียงเอียงข้ก็เจ็บนักอกนักใจเกิดขึ้นเรื่อยๆอ น, นั้นตรงมี้ตรงมีความเพียร